อันนี้เป็นวันอีสาคมาศเดือนสามเพล็กเราเคยทํำนั้นมาทุกปีทุกปีอีสาขะแล้วก็ถึงเดือนหกจะอีสามาคมาศเดือนสามเพ็กนี้ออกมาคมาศเดือนหกเพ็กเรี่ยวอีสาขมาศเคยทํำมาทุกปี แล้วก็มีวันันสารหาอีกที่หนึง่งคือเขา้าพรรษาก่อนเขา้าพรรษาวันหนึง่งทั้งสามการสามเวลาที่เราบูชานั้นก็บูชาท่านขุนพูดประธามพระสงฆ์ทั้งสามอย่างทั้งเกิดกันทั้งนั้น วันุวันในที่ท่านพูดถึงเรื่องมาฆะเรียกว่าจะตุรงคสันนิบาตรวมคววมแล้วก็พระพดทระรํมประสงค์เหมือนกันนะวันวิสาขะคือวันตัสรุวันประสูตรวันประนิทิพานกับวันเดียวกัน น, นกล่าวถึงที่ me, husband, พูดที่เจ้าโดยเฉพาะแต่ก <noise> ็ก <mental> ล <Sure> <enthus> <core> ่าวถึงพระพุทธธรรมแลสงฆ์เหมือนกันเหตุนั้นในที่นี้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องมาธรรมาภิสาธรมาทัน์ถากบูชาจะพูดถึงต้นตอของเหตุเป็นมาทั้งสามการนั้น คือว่ากล่าวถึงเรื่องโตตเหตุที่ให้เกิดในสามการนั่นแหละุทธโธธัมโมสังโฆจาตินานาคนตามปีวัตถุโตอัญญามัญาวิโยขาวะเอกีผูตัมปนัตโต บุตโธธรรมะสบโบเทตาธโมจะสังเคทธาริโตสังโคอุตจสก ร, รอิเจตังรัจนัดต่ยังเรียกว่าพรัฒนาไตรพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ พูดโดยอาการโดยวัตถุเป็นแต่ละอย่างหรือพระพุทธเจ้าได้จะสรู้ได้แก่ปชิต ธ, ธานหลาภกุมารความเพียรเมตมีจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทันเทศสนาไว้ พระสงคือผู้ปฏิบัติตามเห็นรู้จริงเห็นจริงตาผู้ที่จังเรียกว่าประสง์อันนี้เป็นส่วนวัตถุเป็นบุคคลและเป็นหนังอันไปแยกเป็ น, นส่วนๆออกไปแต่ว่าพูดโดยสรุปโดยอัดโดยเนื้อความแล้วอันเดียวกัน พุทธเจ้าจะเป็นนพุทธเจ้าก็เพราะได้ตัดสัรู้พระธรรมพระสงฆ์จะเป็นสงสาวกของพระองค์ก็ปฏิบัติต่างพระธรรมตกลงว่าพระธรรมเป็นใหญ่กลัวพระพุทธกลัวพระสงฆ์ มันเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องถึงเรื่องกันด้วกันอันนี้เนื้อควมโดยเฉพาะถ้าจะขยายเนื้อควมจะจับหลักให้ดีนั่นแหละจับหลักเบื้องต้นให้ดี <c oughs> คือพระพุทธพระทําทพระสงฆ์จับหลักให้ดีตอนนี้แหละพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า อิตติปิโสภคะวาภระหังสมาสัพพุโตมีคุณอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าอิตติปิโสด้วยประการอย่างนี้ภคะวาท่านเป็นผู้มีส่วนมีส่วนอะไร พระพุทธเจ้าองค์นี้ตัตสโรก็มีส่วนอันหนึ่งซึ่งจะเป็นผู้ได้รับเป็นสมัยยาวัคคุพุทธเจ้ามีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันได้ตัตสรูรแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเรียกว่าได้ส่วนได้รับมวลมูลวัสดกอันนั้นนหะจึงเรียกว่ามีส่วนอรหังสมา 阿拉หังแปลว่าพูดไตจากกิริสมาเทพุธทธตรัสรู้เองชอบวิชาจรณะสัมปันโนประกอบด้วยวิชาคือวิชาสามวิชาแปดวิชาสามภูเพนิวาสนุสติ เราเลือกชาติตอนหลังได้ยุทธุปาจิยานเห็นความเกิดความดับของสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วดับไปดับแล้วไปเกิดที่นั่นที่นั้นเรียกว่ายุุปาจิยานอาสวัคไชยานรู้ซึ่งอาสวัคไขคือทำจิตของพวกเราให้ผ่องใสสะอาดพมดจดบริสุทธิ์จนได้สําเร็จเป็นพระพทุทธเจ้า เนี้อ ว, วิชาสามเจรณะสิบมีสินเป็นตนอันนเรียกว่าเจรยาทิพหวิชาจารณาธรมเป็นสุขตโตไปดีแล้วถ้าว่าไปดีนั้นสเสด็จไปที่ใดดีทั้งหมดโปรดสัตว์ในที่ต่างๆไม่ได้อิจฉาเบียดเบียนใครๆทั้งนั้น ประกอบไปคุณประโยชน์อันยิ่งเป็นประโยชน์เกัต์ทั่วไปหมดอ น, นันตวิชชาไอเนียกว่าสุขโตสุขโตอีกในหนึ่งแปลว่าคูดพู้ไปดีแล้วคือพระองค์เสด็จ <c oughs> สู่พระนิพพานเนี่ยว่าไปดีสะดุดเสด็จมาสู่โลกนี่ก็เรียกออกมาดี ไปดผ่านก็เรียกว่าไปดีโล ก, กวีถูรูแจงโลกทั้งสามคือมนุษย์สโลกพูดกันง่ายๆทีว่ากามาโลกที่ประกอบด้วยรูปแจงกินรสเรียกว่ากามาโลกรูปประโลก เนี่การูภพอารูปโลนกิกะรูภพภูมิูมดทั้งสามโลกพระ อ, องค์จริงพ้นจากโลกท่านไม่รู้ทั้งสามโลกนี้ก็ไม่พ้นจากโลกติดข้องในโลกทั้งสามนี้อนุตตโลคานี้เป็นประโยชน์แก่คนอื่น ผู้ดีธรรมสาทีธาเทว ม, มนุษธาเทวมนุษยานังวัโทกว่าอนุตตโรแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่หาผู้เปรียบเทียบไม่ได้ผู้ดีศาธรรมสาทีาสาศธาเทวมนุษยสานังใหญ่กว่ามนุษย์เทวบุตรเอวดายินพรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสารเทียนเอกคือฝึกหั ผลให้ไปสู่สุขติไปสู่ที่ดียิ่งกว่าสาตถีฝึกหัดสัตว์ทั้งหลายที่ให้ใช้การงานได้พระองค์ฝึกหัดมนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้ละความชั่วอันนี้เรียกว่าฝึกหัดเป็นอนุตตโลเป็นอย่างยิ่งยิ่งกว่ามนุษย์ชาวโลกทั้งหลายฝึกหัด เป็นสารทีนันเด็กพุทโธเป็นผู้เบิกบานพคว่าตอนนี้เป็นผู้จำเนยกเกียดใจธรรมะทั้งหลายให้กุ้งข่วงอันนี้เรียกว่าผู้พุทธิเจ้าขานิ้อ้เมื่อเราปฏิบัติการนี้ น้องเขามาตัวของเราค่ะนี่อย่าไปเอาคาพูดของท่านที่ท่านว่าอะไรนั้นเป็นเรื่องของท่าน <c oughs> น้อ ง, ของเขามาทางปฏิบัติพระคาวาเป็นผู้มีส่วนเรามีส่วนไหมมีส่วนเด็กตาสดูอย่ากพุทธเจ้าไหมเราปฏิบัติ เดี๋ยวนี้เรามีส่วนได้หรือยังอย่างน้อยที่จุดเราปฏิบัติถึงธรรมะคำสองพุทธเจ้าสงบจิตสงบใจรักษากายอาจาใจให้บริสุทธิ์ขณะที่เราทำอยู่นี่แหละ เรียกว่ารักษากายว่าจะใจให้ปุถุชน <c oughs> เป็นผู้มีส่วนเป็นผู้มีส่วนกับของพระองค์พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัตินี้เสก่อนจนได้สําเร็จพระพุทธเจา้าจะเชื่อว่าไดส่วนของของพระเจา้าเราก็มีส่ว น, น, นหนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธเจา้าโคงสอนนี้ทั้งนั้น สอนกายว่าใจใจของคนของคนเรานี้ทั้งนั้นนะเรามีกายว่าใจใจแล้วก็ฝึกหัดตามพระองค์ฝึกหัดตามก็ได้ได้ชื่อว่ามีส่วนตามอมีส่วนตามพระองค์เหมือนกันให้น้องเข้ามาตรงนี้ไม่ต้องไปเอาอันพระควาของผูธเจ้าเอาข้อควาของเรานี่แหละเอาแล้วห่างเป็นผู้ไกลจากกิเลส เราไกลและ อ, อย่างนี้ <c oughs> กิเลสคืออะไรความเช่าหมองของจิตใจพราวจีปฏิบัตินี่มันไกลาจากกิเลสเท่าอย่างเอา ง, ง่ายๆเพียงแค่ว่าชินห่าเอา ง, ง่ายๆเนี่ยเพียงชินห่านนี่แหละ <c oughs> เมื่อรักษาชินห่าน งดเว้นจากขาสัตว์รักซาปพฤผิตรวิชาจากข้าโคของมุทหวาเดื่มธุราไม่ไรเราค้นแล้วหรือยังเราใกล้จากกิเลสหรือยังข้าสัตว์หากว่าเราไม่ขา เห็นสัตว์ก็ยังอยากกินยังอยากกินเนื้อกินทามาเป็นอาหารอยู่อันนั้นยังไม่ได้พ้นยังไม่ไกลาจากกิเลสเห็นสัตว์แล้วไม่คิดเบียดเบียนอิจฉาเกิดเมตตาอินดูนั่นแ่ละไกลาจากกิเลสไม่คิดอิจฉาเสยปากในของจองล้างจองผางอันนั้นแหละไกลาจากกิเลสแล้ว รักทรัพย์ไม่รักขโมยของเขาก็ไกลจากกิเลสแล้วแต่ยังจิตคิดอยากจะได้ของเขาอยู่ยังคิดอยากจะได้ของเขาอยู่อันนั้นเดชกุลยังไม่ไกลจากกิเลสกิเลสยังติดตามตัวขงเราอยู่เราพ้นแล้วจากกิเลสอันยำหยาบส่วนกิเลสอันละเอียดคือความอยากได้ อันนั้เรียกว่าติดตามตัวของเราอยู่หากว่าเราไม่อยากได้ของเขาไม่คิดอยากแค่ได้มีจิตใจโอบอ้อมอารีเห็นของเขาเหมือนกับของเราไม่คิดเฉาะมีคิดขโมยไม่คิดลักขโมยของเขาแห่งของเงื่อนอื่นน่ะสงสารอินดูว่าเขาุตสาหพยายาม หากันโดยการนร้ำปากการกรรมเกิดเมตตายหยนดูต้องสันอันนั้นไกลจากกิเลสแล้วการละพืชผิดมิช้าจานไม่คบสู้สู่พนักยาด้วยสามีของคนอื่นอันนั่นก็ไกลจาก ก, าาจาาากิเลสอันหนีนแ่แต่ว่าเห็นของเขายังรักยังชอบอยู่ นั่นดีพอใจอยู่นั่นมันติดตามอยู่ภายในแต่ชื่อว่ายังไม่ไกลจากที่ดีท่านเห็นของเขาคนอื่นของของคนอื่นน่ะเกิดเมตตาตรงสารเอ็นดูเขาเหมือนกับพี่กับน้องเหมือนกับพี่น้องรวมท้องันเดียวกันในคิดรักคิดให้ถึงแม่คิดรักก็เหมือนกับรักพี่รักน้อง ไม่อย่างในรักอย่างบ่าวสาวรักกันนั้นเรียกว่าให้จากกิเลสมุสาว่าถึงเราไม่โกรธไม่โกหกแต่เรายังพูดหยาบเรายังพูดหยาบพูดคลายพูดวิเจอเหลือเลิน เป็นตโลกขนองเล่นอยู่นะันนั้นยังไม่ไกลจากกิเลสเราพูดสุดซื่อสัตย์สุดจริตกลงไปกลงมาเห็นยังไงว่างั้นเข้าใจยังไงพูดอย่างนั้นความจริงใจของเรามีอย่างไรพูดออกไปอย่างนั้นอันนั้นเรียกว่าไกลจากกิเลส ดื่มซุราเม่ไดคนเราก็มันมัวเมาอยู่แล้วร่มหลงอยู่แล้วยิ่งก็มุ่งมั่นหลงเข้าอีกอันนั้นได้ชื่อว่าไม่ไกลจากกิเลสหากว่าเราไกลจากกิเลสแล้วเราไม่กล้าดื่มเราละเพ็นใดไม่มัวเมาความาั น, นี่เรียกว่าไกลจากกิเลสเอาสินห้าเปเครื่องวัดไม่ต้องเอาอื่นไกล์เอาสินห้าเป็นเครื่องวั ด, ออวดถ้าว่าไกลจากกิเลสไม่ไม่เอาของกบุรีเจ้าเอาของเราวัดอยากเอาสินห้าวัดอย่างอธิบายมนานี่แหละอยากไกลจากกิเลสก็ทําลงไปอย่าง อย่างที่ว่านี้ก็แล้วครับถ้าหังไอสัมมาสัมพุทโธตัดสรู้เองเราปฏิบัติตรงไปธรรมะยังปรากฏเกิดขึ้นในใจของตรโดยที่ไม่ได้นึกคิดหากเกิดขึ้นมาได้ ด้วยสมาธิภาวนาอันนั้นเรียกว่าสมาธิปุถุโตของเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจก็เบิกบานค่องใสของนันเกิดขึ้นมายังไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก่อนความรู้อนันไม่เคยมีอย่างที่เขาพูดกันว่า ลงบังออดนะอออย่างนี้หรอกทำเห็นอย่างนี้หรอกเรียวกว่าธรรมะของเฉพาะส่วนตัวมันเรียกว่าสัมมาทิพยวิชาชระสัมปนโนเราปฏิบัติสุภาพเรียบร้อยสงบส ง, งียม จะไปขนองกายก็นองวาจาขนองใจพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นของพระพุทธเจ้าท่านลึกสุขุมมากแต่ของเราเอาเพียงแค่เด็กกับหออิชายนาสัมปนุจุคโตไปในสถานที่ใดไม่ทะเลาะวิวาททุ่มเที่ยงซึ่งกันและกัน ไปดีไปให้เกิดประโยชน์แกบุคคลทั่วไปเรามีแค่นี้แหละชุกโตเรามีเพียงแค่นี้แหละเกิดเอ็นดูองสารเมตตาปานีแกผู้แกคนทสงขอดสงหาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้แหละม็ดไอชุกตะโตของเราเอาเพียงแค่นี้ก็พอ โลกวีทูเป็นของยากอยู่ <c oughs> ที่จะรู้แจ้งถึงโลกทั้งสามเราจะรู้แจ้งแต่เพียงว่าโลกอันนี้เป็นทุกข์โลกอันนี้เดือดร้อนแล้วเกิดมาทุกทุกคนร้อนในตายเท่ากันทั้งนั้น ให้เพียงเห็นเพียงแค่นี้ก็พอแล้วของที่เราเกิดมาต้องตายตายแล้วเอาอะไรไปบงังไม่มีอะไรเหลือหรอแม้แต่ร่างกายก็เผาทิ้งเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วรู้แจ้งโลกอย่างนั้นแล้วรักษาใจของตนให้ดีทำใจให้สงบ เมื่อใจลงสงบแล้วของนั้นจะไม่มีปรากฏแก่ตัวของเราไม่มีปรากฏเลยในะที่นั้นลงไปจุบันอนาคตอดีตอนาคตไม่มีอย่างในขณะนี้แหละเอาห น, นีจากบ้านจากเรือนมาการงานธุระตัางหมดเรามาอยู่ไปอเดียวนี้แหละ หมดเลยไม่มีของนั้นหมดเลยหมดเรื่องเลย <c oughs> ให้ลงอย่างนี้ <c oughs> จึงเรียกว่าโลกก็วีถูรู้แจ้งโลกถ้าหากเราโมเมาอยู่ลงติดของกัวพันนั้นนี่อยู่ไม่รู้แจ้งโลกไม่เห็นตามเป็นจริง น, นันยังไงยังไม่แทนรู้แจ้งถ้ารู้แจ้งแล้วไม่หลงรู้ไม่แจ้งมันยังค่อยหลงสิ่งนับลหลวงมดถ้ารู้แจ้งแล้วเห็นทุกสิ่งทุกส่วนวหมดเรื่องสงสัยมันไม่หมดนั่นตียังค่อยสงสัยอยู่ในมันยังค่อยติดผ่องข้อพันอันนั้นนียังไม่แทนรู้ก่อน โลกวีทูอเ น, นี้รูแจ้งโลกออธิบายวันนี้เอาเทนี้ไปก่อนอธิบายธรรมะยังยังม่เสรหมดเรื่องและธรรมประสงค์ยังไม่มหมดเรื่องนี่หัวข้ออธิบายที่ว่าต้นตอให้เกิด ไปทำไปวันทำวิสาขะก็ดีมาฆะก็ดีวันที่อาสันหาคือเข้าพรรษาวันอาสันหาคือวันที่พระพุทธเจ้าเทศนาก็ดีมันออกมาจากนี่ทั้งท่านเนี่ยออกมาจากาพระพูทธธรรมประสงค์นี่ทั้งท่านเนี่ยอธิบายเท่านี้เก่อนั้นเอาไปตั้งใจ กุทิตกายวาจาใจของเรานี่แหละบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาทั้งหมดเลยกายาจาใจมอบไว้หมดกายมันจะเจ็บจะป่วยจะเมื่อยอะไรต่างๆมอบถวายพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> วาจาก็เหมือนกัน อยากพูดอยากคุยอะไรต่างๆมอบถวาย พ, พระพุทธธรรมประสงค์ใจมันคิดนึกอะไรต่างๆปรุงแต่งอะไรต่างๆถวายใช่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังขบูชาหมดเรื่องไม่ใช่ตัวของเราของบูชามดเหมือนกับเราบูชาดอกไม้พระ พุทธลูกพระวและพระเด็กเอาคืนมาอีกดอกไม้ที่เอาไปบูชาเนะ้นยคือเด็ดออกไปจากต้นมาแล้วไม่ได้กลับปฏิต่ออีกกายวาจาใจของเราก็เหมือนกันเอาบูชาแล้ไม่กังวลเกี่ยวของยังเหลือได้จิตของใสสะอาดจิตตรงนั้นน่ะจะได้เป็น พระพุทธเจ้าพระธรมประสงค์ยังอธิบายให้ฟังอธิบายไม่ได้ีแเราเอาพุโทโธเป็นสาระาที่พึ่งนึกพุโทโธในใจเป็นคำบริกรรมเขานั่นเป็นจุดสำคัญถ้าหากไม่มีพุโทโธเขานั่นมีที่ตั้ง อาุโทโธนั้นตั้งจิตไว้ตรงนั้นไม่ออกนอกจากพุโทโธอันออกนอกออกไปนะั่นเรียกว่าอบูชาอบูชาคุดนั่นเสียให้ตั้งอยู่ในเฉพาะพุโทโธนั้นจิตอันเดียวเท่านั้นอธิบายให้ฟังถึงเรื่องหลายหลายครั้งหลายคราวแล้ว จิตแย่หนึ่งใจแย่หนึ่งจิตนั่นบูชาพระรัตนตรัยเสียที่มันคิดมันนึกมันส่งมันซ้ายมันกลุมเอาไว้ที่ใจนะใจนั่นคือเอามันอยู่ตรงกลางนั่นตั้งอยู่ตรงกลางนั่นไม่ได้คิดไม่ไนึกแต่ความรู้สึกเฉพาะตัวเอง ไม่คิดมันึกนอะไรเลยเอาตัวเน้นเอาไว้ให้มันอยู่ตรงนั้นเถอก่อนอยู่เป็นนานนะไม่ใช่แค่รู้ตัวมันเองหรอกอยู่นาน น, นาะไม่ใชเกิดความรู้ความฉลาดเดีย๋ยวนี้มันมันรู้แต่ น, นอกมันไม่รู้ภายใน รู้แต่ความคิดมันคิดมันนึกอันเรียกว่ามันปรุงมันแต่งอันเรียกว่าความรู้แต่ความรู้ภายในมันไม่มีคือรู้สึกหยุดเฉพาะตัวใจนั้นไม่มีเหตนนั้นความรู้มากมันยังคอยยากที่จะรวมมาเป็นหนึ่งลงไปได้ที่มันรู้มากอันนั่น มันติดพวกันเกี่ยวคล้องในเรื่องทั้งปวงหมดไม่ใช่ของสละธรรมะแท้เป็นของสละที่จะสละได้มันต้องลงไปถึงใจคือตัวกลางคือตัวหนึ่งไอตัวกลางตัวตรงปรัจจุบัน